ก็ตลอดทั้งวันเราก็ได้ภาวนากันมาด้วยความเข้มแข็งและความบทุทนนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาเป็นขันติบรารมีศีลและบาลมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีหันติบรารมีเราได้บําเป็นบาลมีหลายตัวนะในการทําสิ่งเดียวเนี่ยเกิดบาลมีหลายตัวนั้นตัวไหนที่ยัง ไม่เริ่มก็ได้เริ่มตัวไหนที่ยังไม่เต็มก็จะได้เต็มต่อไปทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าทุกตัวมันอยู่ตัวมันเข้าที่เข้าทางใจเราไม่ไปเป็นอย่างอื่นใจเรากับเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเมื่อใดเมื่อนั้นบา ร, รมีแล้วก็เต็มแต่ถ้าใจของเรามันยังกระจัดกระจายอยู่บา ร, รมีก็ยังไม่เต็มวัดกันทุลิใจเป็นอันเดียวกับกาย รูปเป็นอันเดียวกับนามนามเป็นอันเดียวกับรูปเมื่อไหร่บารมีก็เต็มนะั้นนั้นเองเราก็ต้องทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าว่ามันจะเป็นอันเดียวกันจะกี่พบกี่ชาติกี่ปีกี่สิบปีกี่รอยพันปีก็ตามแต่ถ้าเราโชคดีเราอาจจะกายกับใจเราอาจจะเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในชาตินี้ก็ได้ ถ้าเราทําไปไม่หยุดดาบใดที่ใจของเรายังเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าอยู่บารมีก็ยังไม่เต็มดาบใดใจเราเป็นหนึ่งกับกายตลอดบารมีเราก็เต็มทัานั้นคือว่าเรามาบําเพนปารมีสถานที่ตรงที่เรานั่งอย่างนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกอนุสรณ์เงื้อจารย์พระมหาสมปอง จันทาวันโนผู้ที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในงานในสายงานของเราอย่างเข้มแข็งแล้วก็ไปทำหน้าที่ตัวเป็นตัวแทนอาตมาไปเผยแพร่อยู่ที่อเมริกาสามสปีสามสี่ปีกลับมาท่านก็เรียกว่ามาป่วยห้าหกเดือนก็มรณาภาพด้วยความเข้มแข็งนะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บจนถึงวาระสุดท้ายท่านก็ มรณะไปอย่างสงบเราก็ได้ทำบุญอุทิศถวายท่านเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อกระถินปีที่แล้วเราก็ได้สร้างลานธรรมนี้เป็นอนุสรณ์สถานถวายท่านก็ได้ใช้ประโยชน์นะกับตึกด้านนู้นอีกหนึ่งหลังไปที่พระของอุบาสิกาสร้างเป็นอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนั้นนั่นเองนะกปฏิบัติธรรมของเร า, าจะไม่ว่าใครไม่ว่าเป็นพระหรือกษัต์เมื่อ จากไปแล้วก็จะมีที่ระลึกให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ตายแล้วก็ตายเปล่าเหมือนชาวบ้านที่ตายไปแล้วก็อยู่แค่เมนุเขาสุขแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นตายไปแล้วก็จะมีอนุสอนมีสถานที่ให้เราได้สืบทอดศา ส, สนาต่อไปดังนั้นเองก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรไป เราต้องทำการแก่เกิดเกิดแก่เจ็บตายของจิตใจให้สิ้นสุดเช่นก่อนแล้วการเกิดแก่เจ็บตายของกายก็สิ้นสุดไปด้วยไม่จะสิ้นสุดได้อย่างไรก็คือทำกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็ถือว่าที่สุดละถึงที่สุดของทุกเมื่อกายกับใจเป็นอันเดียวกันแต่เมื่อใดกายกับใจยังแยกกันไปแยกกันอยู่ก็ถือว่าทุกก็ยังไม่สิ้นสุด ก็มีช่องว่างให้เกิดทุกข์อยู่เมื่อได้กายกับใจอยู่ด้วยกันแบบไม่มีช่องว่างทุกข์ก็เกิดไม่ได้เพราะไม่มีที่เกิดนนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ท่านพระองค์ท่านก็บอกให้เราบอกวิธีการให้เราว่าการทํากายวาจะให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวด้วยการบำเพ็ญศีล การทำใจให้มาอยู่ใกล้กตัวเรียกว่าสมาธิการทำอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกับใจเรียกว่าปัญญามเมื่อบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญากายกับใจก็เข้ากันได้สนิททั้งสามเปลาะเหมือนเรามัดยาทั้งสามปลอกไม่มีทางจะหลุดไปได้เมื่อกายกับใจถูกมัดด้วยศีลสมาธิปัญญาก็จะมั่นคงแน่นห น, นาจะ ไม่ทิ้ง ก, กันต่อไปทุกว่านี้กายกับใจมักจะต้องแยกกันอยู่หนีกันไปเรื่อยๆก็เพราะสินสมณียปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์นั่นเองถ้า <c oughs> สินสมณียปัญญาของเราจะสมบูรณ์จะครบถ้วนได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวดําเนินการเพราะสตินั้นเป็นแม่ของธรรมเป็นต้นกําเนิดของธรรมเป็นฐานของธรรมทั้งหลายะเมื่อเราจะเจรินจเจริญสติหรือสมมาสติ ให้ถูกต้องแล้วจเจริญสมาธิถี่ให้ถูกต้องแล้วมรรคทุกตัวก็จะสมบูรณ์ไปเองนะอันนั้นเองเราก็เลยต้องมาทำนะํำณจุดนี้ให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่องเอาไว้เพื่อเป็นอุปริสัยเพื่อเป็นบารมีที่จะนําไปพัฒนาต่อไปเหมือนการเรามาที่นี่ก็เรามาเอาเมล็ด มเมล็ดของสติไปเอาต้นกล้าของสติไปมเมล็ดนั้นตราบใดที่มันอยู่ในยุ่งในฉางในห่อในหีบมันก็ยังเป็นมเมล็ดมันยังไม่มีชีวิตชีวาจิตใจของคนเราที่มันยังมีอัตตาห่อหุ้มอยู่ก็เรียกว่ายังเป็นมเมล็ดอยู่ยังไม่งอกงามได้ มเมล็ดนั้นถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกชั้นใดจิตใจของเราก็ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกคืออวิชามันก็ยังไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทีนี้จะทํายังไงให้เปลือกอวิชามันแตกออกแล้วก็ทําแบบเดียวกับมเมล็ดข้าวต้องนําไปลงดินรดน้ําเมื่อมเมล็ดพืชนั้นได้น้ําได้ดินพอเหมาะพอสมแล้วมันก็จะเติบโตโดยการทําลาย เลือกออกมามเมล็ดพืชคือความรู้สึกตัวนี้ที่มันถูกห่อหุ้มด้วยอวิชาตัหาอุปาทานเมื่อได้รับน้ํารับดินคือรูปกับน้ำรูปคือดินนามคือน้ำเมื่อรูปกับนามม า, ารวมกันมเมล็ดพืชคือความรู้สึกตัวนี้ก็จะได้อุณภูมิและได้ความชื้นพอเหมาะพอดี มันก็จะเติบโตเมื่อความรู้สึกตัวของเราเติบโตเปลือกของมันคือวิชาดันหาประาธานกรรมก็จะเริ่มแตกออกไปเหมือนเปลือกถั่วหรือเปลือกข้าวแตตราบใดเมล็ดนี้มันอยู่ในยุ่งในฉามมันยังไม่เข้าไปตกไปดินไปน้ํามันก็ยังเป็นเมล็ดอยู่และจะแห้งรีบไปในที่สุดดังนั้นเราทั้งหลายก็ทําเชกเช่นเดียวกันคือนําเมล็ดแห่งความรู้สึกตัวนี้มาเพราะ มาหวานเพื่อจะทําลายเปลือกมันนะเมื่อเปลือกมันถูกกระเทาะด้วยกดของธรรมชาติคือดินกับน้ํามันก็จะเติบโตแต่เมื่อใดเปลือกมันถูกกระเทาะด้วยวิธีการอื่นมเมล็ดนั้นก็เติบโตไปไม่ได้เช่นเรานําไปสีไปแกะไปแค่ไปเทาะโดยไม่ใช้น้ํากับดินแล้วมเมล็ดนั้นก็เสียไปเลยเป็นอาหารไป ไม่สามารถจะออกงามเติบโตได้แต่ถ้าเมล็ดนั้นจเจริญเติบโตด้วยอาศัยน้ํากับดินเหมือนรูปนามนี่อาศัยรูปกับเหมือนเมล็ดแห่งสติความรู้สึกตัวนี้อาศัยรูปกับนามเป็นที่เพาะพันธุ์เมล็ดนั้นก็จะเติบโตเมื่อเติบโตแล้วมันก็เริ่มเป็นใบเป็นกิ่งเป็นกา้านจิตใจของเราก็เหมือ น, นที่เราออกมาสแสวงหารูปกับนาม กัญหาที่วิเวกเพื่อที่จะได้เอาใจมาอยู่กับรูปกับนามนี้เท่ากับเรามากระเทาะเปลือกของอวิชานั่นเองก็ เ, เรียกว่าเป็นเงาะเป็นเงาะขึ้นมานั่นหมายความว่าเราเริ่มสลัดเริ่มสลัดกาเริ่มสลัดเปลือกคือเริ่มสลัดสมมุติออกไปเราอยู่บ้านมีสมมุติหลายชั้น เราอยู่บ้านสมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเลือกหลายชั้นเหลือเกินอยู่ที่บ้านเรามาที่นี่เราพยายามกระเทาะเปลือกออกเหลือแต่รูปกับนามเหลือแต่กายกับใจความเป็นพ่อเป็นแม่ออกไปความเป็นพวะเป็นเมียออกไปความเป็นพี่เป็นน้องออกไปเหลือแต่ใจกับกายมาที่นี่ แล้วอาบลาดลดด้วยลดพระธรรมนะคือตัวนามคือกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นนามเข้ามาอบรม จ, จิตใจให้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาเมล็ดพืชคือความรู้สึกตัวท่วพร้อมนี้ได้รับอุณภูมิคือความเพียรที่เราทำอยู่ทั้งวันนี้เป็นอุณภูมิแสงแดด ปล่ยแผเผาให้มีทีภูมิเพื่อที่มันจะได้เติบโตเนี่ยได้น้าได้ปุ๋ยพอยสมกับสถานะของมันก็จะแตกตัวออกมานั่นก็หมายความว่าเราเป็นผู้สแสวงหาความเติบโตเราไม่อยู่ในเมล็ดอีกต่อไปถ้าขึ้นเป็นเมล็ดต่อไปลังแต่เราจะเป็นอาหารของแมลงแมงมดและเป็นหางกังไก่และกาและคนต่อไป แต่มเม็ดนี้ตกถึงน้ำถึงดินแล้วมันก็มีโอกาสเติบโตเป็นต้นกล้าเราก็เหมือนกันเราจะเป็นต้นกล้าแห่งชีวิตผู้เป็นอิสระภาพต้นกล้าแห่งชีวิตที่ไม่ทุกต้นกล้าแห่งชีวิตที่มีความงอกงามทางมรรคและผลเราจึงมาสแสวงหาดังนั้นเราจึงไม่กลัวต่อกัน เจ็บการปวดไม่กลัวต่อเหลือกยุงลิ้นไหลไม่กลัวแต่ความหิวกระหายไม่กลัวความเจ็บปวดไม่กลัวต่อความป่วยไข้ลาบากที่มาที่นี่และไม่กลัวต่อการขาดความสะดวกสบายที่เรารับในบ้านที่บ้านเรามีความกระหารคือมีวิริยะและขณะเดียวกันเราก็มีสติมีความรู้สึกตัวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ไปไหนทำอะไรแล้วก็รู้สึกตัวกาหนดรู้สึกตัวอยู่ตั้งแต่หัวจนเท้าในทุกอิริยาบทอันนี้คือกําลังแห่งความเพียรกําลังของตบะที่จะทําให้เมล็ดตัวนี้งอกงามได้แล้วล้วก็มีสมาธิก็มีความตั้งใจที่จะดูแลความรู้สึกตัวอันนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปัญญาสำรวจตรวจสอบ ถึงความเป็นไปได้ว่าจิตใจของเราทำอะไรอยู่อะไรไปที่ไหนจิตใจนี้ก็จะถูกตรวจสอบด้วยปัญญาตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าบ่มเพาะด้วยอินทรีย e ์ทั้งห้าเมื่อเป็นอย่างนั้นต้นกล้าของสติก็จะเติบโตเป็นล่มโผล่่มใสขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นไม้ที่มีดอกหอมดอกนี้ก็กระจายไปสู่ ท้องฟ้าและจักรวาลกลิ่นหอมพวกมันก็กระจายกระจุยกระจายไปถูท้องฟ้าและจักรวาลแต่ถ้าหากว่ามันยังเป็นเมล็ดอยู่มันก็ไม่สามารถเข้ากับบรรยากาศอ่างสากลได้มันก็คือเมล็ดแต่ตเมื่อนําไปเพาะมันเป็นต้นเป็นดอกแล้วมันออกดอกออกมากลิ่นของมันก็จะหอมหวนทวนลมไปกระจายไปทั่วเข้ากับบรรยากาศได้เป็น เป็นสากลฉันได้ก็ดีจิตใจของเราได้รับการอบรมบุมเพราะแล้วเมื่อมอนุ์เจริญเติบโตก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลเราก็สามารถจะปรับตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจั ก, กรวาลได้โดยที่ไม่มีอัตตาต่อไปเรียกว่าอนัตตาสามารถปรับตัวเข้าได้ทุกสถานการณนะ์กระเจนกระจายไป ด้วยเหตุนี้เองนะที่พระพุทธิจ้์และภาสาวกทั้งหลายท่านจึงหอมหวนกระจจนกระจายมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วก็ไม่เคยเหงื่อแห้งไม่เคยจืดจางเราก็ได้รับปิ่นหอมแห่งคุณธรรมของท่านจนถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายในฐานะเป็นสาวกของท่านได้บำเพ็ญเชกเช่นเดียวกันกับพระองค์ชื่อเสียงแห่งความดีงามชื่อเสียงแห่งการ ปฏิบัติปพุทธปฏิบัติของเราก็จะหอมหวนทวนลมต่อไปอีกหลายศตวรรษทีเดียวนะดังนั้นเองการที่เรามาทําที่นี่จึงไม่ไร้ผลนะไม่ไร้ผลที่จะทําให้เราได้รับผลคือได้มักได้ผลขึ้นมาจิต ใ, ใจของเรากับกายของเราเป็นหนึ่งเดียวกันอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการเราจะไม่มีใจเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้อีกต่อไปเราจะมีใจเป็นหนึ่งเดียวกับกายนะ แล้วจิตของเราที่มันมีความเป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นอมตะไม่ตายนะคือไม่มีการและอากาลิโกอยู่เหนือการเวลานะไม่มีอ า, อายุไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอยู่เหนือการเวลานั่นเองดังนั้นเองการกระทาของเราแม้ดูว่าจะไม่เกิดอะไร จะไม่ได้อะไรแต่มันได้อย่างสูงสุดมันเกิด อ, อย่างสูงสุดหรือ ว, ว่าอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำแต่มุ่งกระทาอย่างสูงนั่นเองนะนั่นนั่นเองการที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติกันที่นี่ก็เพื่อสแสวงหาอมาตะธรรมคือธรรมที่ทำให้เราไม่ตายนะทำให้จิตใจเราไม่ตายให้กิเลสมันตายไปแต่อย่าให้จิตใจเราตายนะ เมื่อกิเลสมันตายเหมือนกับเปลือกมันตายไปแต่ต้นมันไม่ตายเมื่อต้นมันเติบโตแล้วเปลือกมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปฉั้นใดก็ดีเมื่อจิตเราเติบโตแต่งอกออกรากเป็นมรรคเป็นผลแล้วอัตราตัวตนของเราก็ตายไปนั่นเองนั่นแหละไอ้สิ่งที่เปลือกมันตายไปเราก็ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาก็ได้ชีวิตที่ไม่ทุกข์ เพราะว่าเปลือกนั้นมันห่อหุ้มทําให้เราต้องแก่ต้องเจ็บตั้งตายมาโดยตลอดแต่เมื่อเราลวงรูป ก, กับนามเข้าด้กันแล้วจิตใจเราเจริญเติบโตด้วยมรรคด้วยผลแล้วเปลือกคืออวิชาดันหาวิทานกรรมก็หลุดรอดออกไปหลุดพ้นออกไปเราเรียกว่าการหลุดพ้นแล้นั้นเราก็ได้ชีวิตกลับคืนมาเป็นชีวิตที่ไม่ทุกข์นะแนนว่าเราจะมี พันธะภาระตองรับผิชอบเราก็ไม่ทุกก็ได้โดยที่เราไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องยึดถือแต่ทาหน้าที่เป็นพ่อก็ทาหน้าที่พ่อไปเป็นแม่ทาหน้าที่แม่ไปเป็นสามีภรรยาก็ทาหน้าที่สามีภรรยาเป็นลูกก็ทาหน้าที่ลูกไปทาแต่หน้าที่แต่ใจไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องแต่ทาหน้าที่นี้ก็เลิกเป็นหลุดพ้นได้เหมือนกันนะดันั้นเองเราก็จึงมาแสวงคุณธรรมในส่วนนี้นะ ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาภาษาธะขวนขวายมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้จนถึงที่สุดไม่ทิ้งกลางคันมาที่นี่เราเหมือนมารับมเมล็ดหรือมารับต้นกล้าของความรู้สึกตัวเอาไปบ่มเพาะต่อที่บ้านเราที่ทำการทำงานของเราไปเรื่อยๆมันลดน้ำใส่ปุ๋ยพลดินก็คือมันรวมกายรวมใจเข้าอยู่ด้วยกันเสมอนี่แหละเรียกว่าการล ด, ลดน้าใส่ปุ๋ยพ่ดิน แต่เมื่อไรกายกับใจอยู่ห่างกันเหมือนน้ากับดินอยู่ห่างกันดินก็จะแข็งจะด้านต้นไม้ก็จะตายเมื่อได้รวมน้ํากับดินมาอยู่ด้วยกันดินก็จะชุ่มนุ่มนวลต้นไม้ก็เจริญงอกงามนั่นหมายของว่ารวมการรวมใจมาอยู่ด้วยกันสติสัมปชัญญะและปัญญาก็เจริญงอกงามแต่เมื่อใดกายกับใจห่างกันสติสมาธิปัญญาก็จะแห้งเหี่ยวตายไปนะอันนี้คือหลักของธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ แปลกหรือไม่ใช่สิ่งใหม่เป็นหลักของเป็นกฎของธรรมชาติ น, ตนั่นเองแต่เนื่อว่าเรายังไม่มีธรรมจากสุหรือปัญญาจากสุเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนเราก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดเมื่อไรถ้าธรรมจากสุมันเกิดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดานะหมายความว่าเราก็าจะเห็นสัจธรรมอันนี้แล้วเราก็ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสัจธรรมนั้น เราก็จะไม่ต้องขวนขวายลําบากเพราะเราเห็นความจริงแล้วเราจะดําเนินไปทางไหนเราจะทําอะไรมันก็อยู่ในคลองแห่งธรรมหมดเพราะเราเห็นทางแล้วเพราะเราเกิดธรรมาจากสู่เห็นเส้นทางแล้วเราจึงเดินไม่ผิดทางแต่เมื่อใดธรรมะจากสู่เรายังไม่เปิดเนี่ยมันก็เดินผิดบ้างเดินถูกบ้างสลับกันไปสูบบ้างทุกบ้า ง, างดีบ้างชั่วบ้าง อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อ้ราเปิดดวงตาธรรมะจกักษุเกิดแล้วดวงตาธรรมเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางที่ถูกเสมอไม่เดินทางผิดดังนั้นความทุกข์และปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเลือกเดินทางที่ถูกเพราะในโลกนี้มันมีทางถูกและทางผิดอยู่แต่ว่าแล้วแต่ใครจะเดินทางถูกก็ทุกไม่มีใครเดินทางผิดก็ทุกก็ต้องเกิดเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครทําให้แก่ใครนะ นนการที่เรามาฝึกฝนมาปฏิบัตินี้ก็คือมาเปิดดวงตาเมื่อเราได้ตาทำแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยเหมือนเราอยู่ในโลกนี้ที่เราปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆเนื่องจากเรามีดวงตาเนื้อคือมังจา ก, จกสุได้มองเห็นว่าอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นภั ย, อ, นนภยอันนี้เป็นโทษเราก็หลีกเลี่ยงแล้วก็อยู่ปลอดภัยได้ฉันไดก็ดีเนะื่อาจิตใจของเราเกิดธรรมจากสุ เกิดได้ดวงตาเห็นทมแล้วก็รู้ว่าความโลภเป็นโทษเป็นภัยก็หลีกเลี่ยงความโลภความโกรธเป็นโรคเป็นโรคเป็นภัยก็หลีกเลี่ยงความโกรธความหลงเป็นโรคเป็นภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงความหลงเราก็จะปราจจะจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วนั่นจิตใจชีวิตของเราก็ปลอดภัยและเป็นสุขดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเราโชคดี นะที่ได้มาพบความสอนพระพุทธเจ้ายังไม่ล้าสมัยยังไม่สูญหายไปไหนยังมีโอกาสได้มาสัมผัสและได้มาปฏิบัติได้เข้าถึงนะนันนั้นก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่เราจะขอนายปฏิบัติไปให้สัมผัสให้ได้ในชีวิตนี้นะก่อนที่เราจะแก่จะเจ็บจะ ต, ตายไปก็ให้ได้ดวงตาทมขึ้นมา ด้วยการพุทธปฏิบัติพยายามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนไปถึงหลับขอนขวายกิจอันนี้กิจเพื่อดูกายดูใจรวมกายรวมใจเข้าด้วยกันอยู่เสมอๆจนมันเป็นนิสัยกายกับใจควบคู่กันไปความเจริญเติบโตของคุณธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ไหนก็ตามที่มีน้ํามีดินชุ่มอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ตัวนั้นก็งอกงามเจริญเติบโต อยู่ไม่ขาดสายบุคคลใดก็ตามที่ลูกกับนามมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคุณธรรมของบุคคลนั้นก็จเจริญเติบโตอย่างไม่ขาดสายเหมือนกันนั่นก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มีกำลังใจที่จะทำสิ่งนี้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ธรรมดาเป็นสิ่งที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ชีวิตทุกคนต้องการแต่ว่าเขายังไม่รู้อ่า เห็นคุณค่าเขามันก็แล้วเขยังไม่ขวนขวายเขาเจะไปเห็นคุณค่าแต่วัตถุยังขวนขวายแต่เรื่องวัตถุเพราะว่าจิตใจนั่นยังอ่อนยังอ่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็ยังไปติดแต่เรื่องวัตถุรูปเสียงกิรลสัมผัสเป็นของสูงแต่ความจริงสิงที่สูงกว่ารูปรอเสียงกิริสัมผัสก็มีอันนั้นคือสัจธรรมซึ่งก็มีอยู่ในใจของเรา n ี่เอง เราก็ขนขวาเอาสิ่งนี้มาใช้เพราะรูปรถกินเสียงนั้นมันจะต้องเสื่อมไปสลายไปหมดไปสิ้นไปตามอายุไขแต่สัจธรรมที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันมันตายไม่เป็นนะมันตายไม่เป็นมันจะอยู่เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมามันก็มีอยู่อย่างนี้นะดังนั้นก็เรามาขนขวาเอาสิ่งที่มันไม่ตายแต่สิ่งที่มันตายนั้นมันก็ไม่ต้องขนขวาให้เสียเวลามาก เพราะยังไงมันก็ต้องตายต้องเสื่อมไปตายดีๆวันหนึ่งมันก็เสื่อมมองไม่เห็นฟันดีๆวันหนึ่งมันก็โยกก็คอนเนื้อหนังดีๆวันหนึ่งก็ต้องหิวต้องยานนะสติปัญญาดีๆวันหนึ่งมันก็ต้องลืมต้องหลงนะมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้งั้นนั้นเราจึงมหาเศรษฐธรรมคือความมั่นคงของศีลสมาธิปัญญาให้เกิดมีกับใจของตนที่จะไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปฉะนั้นเองวันนี้เราก็ได้มาทำ มาปฏิบัติจริงๆอาตมานี่ก็ตั้งใจตั้งใจไปแล้วก็ได้ตั้งใจปฏิบัติเข้าไปก็ตื่นตีสามตีละคังตีสามปุ๊บเราต้องรีบลุกรีบตื่น นงหน้าแปลงฟันแล้วเข้ารูปปฏิบัติเข้าที่ปฏิบัติเดินจงกรมทางจังหวะการปฏิบัติทําในครั้งนี้ที่ที่ไปรู้สึกว่าเริ่มแรกวันสองวันแรกนี่ก็รู้สึกอ่อนเพียรู้สึกอ่อนเพียแล้วก็มัน มีอุปสรรคหลายอย่างอุปสรรคหลายอย่างก็คือความร้อนว่าอากาศที่นั่นเริ่มแรกจะร้อนมากร้อนมากแล้วก็มีอุปสรรค ห, หลายอย่างพวกอ่ายุงมดแมงมาแรงปีเยอะนะที่เราไปไดปไปเข้าอ่าค่ายปฏิบัติแต่เราแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจอ่ากับสิ่ง ต่างๆเนั้นล้วก็แก้ขัดแก้ไขไปแล้วก็ปฏิบัติเรื่องการปฏิบัตินี้ก็สองตามอันแรกก็ก็อย่างที่ว่าอุปสรรคมีนิดหน่อยเรื่องความง่วงนะความง่วงจะมากทั้งที่เราเคยได้เก็บอารมณ์มาบ่อยๆบ่อยัอย้ยยงแล้วก็ ได้ปฏิบัติมาตลอดแต่ว่าไปปฏิบัติเข้าอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยต่อเนื่องหลายวันเนี่ยมันก็รู้สึกความง่วงความอ่อนเพียช่วงระยะสองสามวันแรกความขี้เกียจความขี้ค้านความเบื่อความเสงอะไรต่างๆมันจะจะมีทั้งหมดแต่ว่าเราก็ เคยปฏิบัติมาก่อนเราก็รู้เราก็รู้ส่วนนี้ด้วยเราจะต้องแก้ไขมันยังไงการแก้ไขก็ไม่ไม่แก้ไม่ยากก็ให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ให้มารู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวตัวนี้แหละจะเป็นตัวแก้ปัญหาทุกอย่าง ความง่วงเหงาหาวนอนความอึดอัดขัดเคืองความฟุ้งซ่านต่างๆถ้าเรารู้เห็นมาแล้วเนะี่ยเห็นว่ามันขี้เกียจเนะี่ยเห็นว่ามันขี้เกียจมันไม่อยากทำเนะนะีมันไม่อยากทำก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำการปฏิบัติตำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำขี้เกียจก็ต้องทำทําความรู้สึกตัว ทำง่ายๆแค่รู้สึกตัวนะยกมือให้รู้สึกเดินก็ให้รู้สึกสิบสี่จังหวะแต่า ก, การการที่จริงการปฏิบัติเริ่มแรกเนี่ยเริ่มแรกหรือหรือนานมาแล้วก็แล้วแต่นะการปฏิบัติเนี่ย มันก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกทีเริ่มต้นใหม่ก็คือเราจะต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาในการเดินการนั่งยืนเดินนั่งนอนไปเริ่มแรกจะเดินสิบวันนี้ไปสิบวันเรนี้จะมันจะเดินอย่างเดียวเพราะว่ามันมีอุปสรรคก็คือนั่งไม่ได้ทั้งพึ่งทั้งตัวอะไรที่มั น, มนเข้าหูเข้าตานะ่ะ ก็เงือดเต็ไมไปหมดความร้อนมามากเราก็เดินแข่งแข่งกับมันเดินแข่งกับมันนั่งก็ไม่ได้ต้องเดินนะเดินทำความรู้สึกตัวมันจะร้อนก็แล้วกระช่างจะมีอะไรมารบกวนกระช่งางแล้วก็มารู้สึกตัวตมารู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกตัวมาช่วงช่วงไปช่วงแรกสิบวันแรกก็รู้สึกว่ามาช่วง สามวันสุดท้ายนี่ก็รู้สึกว่าความคิดต่างๆมันเริ่มไหลมาแต่เราเราเคยเราเรารู้มันนะเริ่มแรอะเราเราเคยผ่านมันมาแล้วอารมณ์อารมณ์เก่าๆตัวเก่าๆมันก็ขึ้นมาอีกนะเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องอดีตที่เราเคยผ่านมาแต่มันมาไม่หมดนะตัวไหนที่เราเคยผ่านมาแล้วมันก็มาแค่ผ่านไป ผ่านไปผ่านไปนเรื่องของความคิดพอเราอ่าเริ่มเริ่มจากผ่านวิวรได้แล้วนะเรื่องความน่วงความอึดอัดขัดเกลืองความขี้เกียจที่้คันเราเริ่มนะอสามสี่วันแรกก็ผ่านสามสีนะวันแรกก็ผ่านแต่ว่าก็ต้องใจตั้งใจทําจริงๆนะตั้งใจทําจริงๆก็ผ่าน ช่วงสามวันอสามสี่วันอวันที่สิบสุดท้ายไอ้วันที่สิบเนี่ยอ่กความคิดต่างๆมันก็เริ่มปรากฏขึ้นมากมายนะความคิดใหม่ๆที่เราสะสมนะที่เราสะสมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เริ่มปรากฏขึ้นมาเริ่มปรากฏขึ้นมาความคิดแต่ว่าไม่ใช่ความคิดที่เรา เริ่มแรกที่เราเคยปฏิบัติเลยแต่อันนั้นมามันกันมีมอนกันแต่มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปเพราะว่าเราเคยผ่านมันมาแล้วแต่ว่ามันก็มันก็มีแต่มันไม่บ่อยแต่ที่มันสะสมก็คือช่วงระยะที่เราหาอยู่อยู่ที่วัดเนี่ยเราทำอะไรบ้างทาอะไรบ้างหรือมีอะไรเข้ามากระทบบ้างเนี่ยมันมันก็จะ จะเก็บเข้าไปนะจะเก็บเข้าไปแล้วมันก็จะมาปรากฏให้เราเห็นตอนช่วงเราเข้าไปเก็บอารมณ์มันจะขึ้นมาให้เราเห็นหมดตัวไหนที่เราเก็บมันนะทั้งทั้งหมดที่มันที่เราเก็บเข้าไปข้อมูลมันจะออกมาทั้งหมดเลยนะเรื่องของของความคิดมันจะเก็บไว้แต่ว่ามันจะมีน้อยเก็บน้อยแต่ว่ามันจะมาบ่อย จะมาบ่อยเรื่องไหนที่มันติดอยู่มันจะมาบ่อยที่สุดนะจนกระทั่งมาเข้าช่วงที่สอง ต, ต, ต, ติดวันก็อ่าติดอีกสิบวันอ่าเราจะนับเป็นสิบวันสิบวันแต่ว่ามันเข้าสิบห้าวันเนี่ยช่วงช่วงช่วงสิบห้าวันแต่เราก็แบ่งเป็นสิบวันสิบวันอ้าม้าสิบวันที่อ่าที่สองก็เริ่มนั่งเชื่อมเริ่มนั่งได้แล้วคร น, นี้คร น, นี้จะนั่งยาวเลยะ นั่งยาวเพราะว่าฝนจะเริ่มลงเริ่มตกนั่งยาวนั่งสร้างจังหวะะสร้างจังหวะจะเดินจงกรมน้อยะช่วงที่สองอาจจะเดินจงกรมน้อยเราจะนั่งสร้างจังหวะแต่ว่าการนั่งสร้างจังหวะนี่มันโอ้มันทรมานะทรมานเริ่มแรก ม, มันจะทรมานมากมันจะอยากลุกจากไปเพราะว่าเราเคยเดินมันก็อยากลุกไปเดินะมันอึดอัดแล้วก็ร้อนอ่ะร้อน แต่เราไม่ไปนสนใจนะเราไม่ไปนสนใจกับตัวนั้นมันจะมีอะไรเข้ามาก็แล้วแตนะ่เราก็ดึงความรู้สึกของเราเนี่ยมาให้มันมารู้สึกรู้สึกตัวยกกรูลเข้าขออกรู้เมื่ออยู่กับความรู้สึกนะก็ทำไปทำไปทำไปทาไปจ น, นเหงื่อมันแห้งตอนไหนก็ไม่รู้ อุปทานเยอะพอเข้าไปในกฎก็ว่ามันร้อนนะเข้าไปมันร้อนก็นั่งร้อนนั่งเหงอไหลเต้ไปหมดแต่เราไม่ไปสนใจกับความร้อนมันจะร้อนกันร้อนไปเราอยู่วความรู้สึกรู้สึกตัวพอช่วงมันได้อารมณ์นะช่วงได้อารมณ์ปฏิบัติความร้อนมันก็หายไปมันก็มีแต่ความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวที่ปรากฏขึ้นให้เห็นให้เราเห็นได้ชัดกายกับใจมันทำงานร่วมกันเห็นได้ชัดมาช่วงระยะสิบวันกลางก็รู้สึกว่าการปฏิบัติก็ความคิดต่างๆที่มันปรากฏขึ้นให้เราเห็นมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงช่วงกลางมันจะมีสิ่งต่างๆที่เขามาล่อเรา ทั้งเรื่องดีเรื่องจะโดยมากจะเป็นกุศลเรื่องกุศลที่มันจะดึงเราออกไปก็คือก็คือความดีนั่นเองเรื่องสร้า ง, น, น, ง, น, น, งนู่นทานู่นทํานี่นะแต่เราก็เคยผ่านมันมาแล้วสิ่งพวกนี้เราเคยเป็นกับมันมาด้วยเคยเป็นกับมันเคยเป็นกับมันมาแล้วเราก็เห็นมันก็เห็นมันเฉยๆเห็นมาแล้วก็อ่ามัน อ่าขึ้นปรากฏให้ขึ้นให้เราเห็นเราก็ไม่ได้ไปสนใจกับมันเราก็ดูมันช่วงแรกๆนี้จะไปเล่นกับความคิดเราก็อ่าจะเล่นกับมันจะเล่นกับไฟอ่าจะไปเล่นกับมันก็ลองดูว่าสติของเราเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยพอไหมแต่บางทีนี่เรื่องไหนที่มันอ่าดึงดูดเราได้เนี่ยโอ้บางทีมันดูดเราเข้าไป นะดูดเราเข้าไปแต่ว่าเราก็สามารถที่จะออกมาแต่มันจะมันก็จะดูดเราแรงดูดเข้าไปดูดเข้าไปแต่เราสามารถเด้งออกมาได้นะแต่เราก็รู้นะรู้วา่าเราเข้าไปดูมันเราก็เร า, าก็มีความรู้สึกตัวอยู่เราจะดูว่าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยสติของเราเนี่ยจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ว่ามาหลังๆนี้ไม่เอานะไม่ไม่ไม่สนใจนะเสียวเวลาก็ทำแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนะช่วงกลางๆ จะได้ดีเพราะว่านั่งเพราะว่าอากาศก็เริ่มเย็นช่วงช่วงช่วงกลางกลางสิบปันกลางเนี่ยเริ่มได้อารมณ์ดีอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันตลอดนะมันก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเป็นบางครั้งแต่ช่วงแต่เรื่องความง่วงเนี่ยก็มี ม, มีนะไม่ใช่หายหมดอ่ามันก็มีมามาหมือนกันแต่ปันหา มันห่างแต่เราก็รู้พอรู้รู้มันแต่เรื่องของความคิดเราจะห้ามมันไม่ได้หรอกความคิดนะเราห้ามไม่ได้แต่ว่าให้ก็เราก็ดูมันไปอมันเป็นธรรมชาติของความคิดดีก็แล้วนะชั่วก็แล้วเพราะแค่ดูมันไปเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็ไปนะมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปอ่าช่วงระยะกลางๆนี้ก็รู้สึกว่าดีนะปฏิบัติ อ่าเรื่องกิเลสมันก็ขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดว่าเราไปติดตัวใหบ้างนะไปติดตัวไหนราคะโทสะโมหะที่มันปรากฏขึ้นให้เราเห็นเราเราเราจะเห็นเลยล ว, ว่าเราเรายังไปติดอยู่ตัวไหนอยู่ตัวราคะมันก็ปรากฏให้เราขึ้นมาให้เราเห็นมันจะขึ้นมาให้เราเห็นทั้งหมดนะขึ้นมาให้เราเห็นราคะโทสะโมหะ เกิดขึ้นมาให้เราเห็นแต่เราเห็นแล้วเนี่ยก็ดีนะที่มันมันมันมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็รู้ว่าเออมันก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันลึกๆลงไปเนี่ยมันก็ปุดขึ้นมาคุดขึ้นมาขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาจนมันเหลือตื้นนะจนเราเห็นมันได้ชัดเลยเห็นมันได้ชัดเห็นได้ชัดแล้วมันก็เหลือน้อยเหลือน้อยมันก็ห่างๆไปมามาตอนหลังก็ห่างไปห่างไป รู้สึกว่าอารมณ์ปัจจุบันก็จะต่อเนื่องในการปฏิบัติมาช่วงที่สามนี่ก็ทั้งเดินนะเขานี้เปลี่ยนทั้งเดินครึ่งหนึ่งนั่งครึ่งหนึ่งนะเพราะว่ายุงเริ่มเยอะแล้วช่วงที่สามยุงยุงจะมากแล้วค่ะเนี้ยถ้านั่งก็ต้องไปนั่งนั่งในกระโดดขึ้นเข้ามุงกดเลยไม่ได้ถ้งั้นโหมบินชนเลยยุงเนี่ยไม่กลัวเลยช่วงช่วงสุดท้ายเนี่ย ช่วงสังลาเลยยุงเพราะว่าพอฝนตกลงมามีแดดออกอะไรออกมาเนี่ยยุงเกิดมากตรงนั้นก็แต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจกับมันห อ, อกกับเรื่องยุงนะเราก็สนใจกับความรู้สึกตัวนะมันมีก็เราก็หาวิธีป้องกันเอามีผ้าผือ น, นก็พัดไปพัดมาเดินจงกรมต้้งจังหวะไปนะเดินจงกลมแต่เวลาเรานั่งเราก็เข้าไปนั่งนีง่มันกดถึงมันร้อนเราก็ไม่สนไปสนใจความร้อนนะ เขารู้สึกว่าการเก็บอารมณ์ครั้งนี้นะก็เห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ชัดเจนนะได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็แก้ไขมันได้แต่ความความเข้าใจนี้ที่จะไปแก้ไขมันนั่ก็คือความรู้สึกตัวจะทําหน้าที่มันจะทําหน้าที่ของมันมันโดยอัตโนมัตินะความรู้สึกตัวตัวรู้สึก รู้สึกตื้อๆเฉยๆเนี่ยมันก็เข้าใจเข้าใจคำหนุงพ่อเทียนที่หลวงพ่อเทียนว่าซื้อๆเฉยๆรู้สึกตัวนี้เนี่ยรู้สึกตัวนี้ความซื้อๆเฉยๆเฉยๆเนี่ยรู้สึกเฉยๆเฉยๆตื้อไม่มีอะไรรู้สึกไม่มีอะไร มันก็เข้าใจแล้วก็การปฏิบัติก็รู้สึกว่าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันก็ชัดเจนนะชัดเจนอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหูได้ยินบางทีเนี่ยตาหินเนี่ยบางที เราจะปรุงแต่งไปกับสิ่งนี้ที่เราเห็นรูปนะตาเห็นรูปเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นอะไรบางทีเราเรารู้สึกว่าเราจะไปปรุงแต่งกับมันแต่ว่าการปรุงแต่งจะมีน้อยนะเพราะว่าความรู้สึกตัวพอเราเริ่มเริ่มคิดตุ๊กนี่ความรู้สึกตัวจะเข้ามารู้ทันทีเลยพอมารูปุ๊บมันก็จะตัดออกไปนะ หูได้ยินเนี well, kind of ่ยเสียงอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเสียงนกเสียงอะไรต่ออะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะเพราะว่ามันเป็นเป็นป่าจังเลยเสียงนู่นเสียงนี่แต่ก่อนๆมาเราเราก็รู้สึกว่าเราไปปรุงแต่งนะกับเรื่องเสียงนกต้อเป็นนกนั่นต้องเสียงไก่ต้องเป็นอะไรต่ออะไรมันก็ปรุงแต่งไปแต่พอมาช่วงที่เราได้เข้าไปเข้าค่ายเก็บรมจริงเราได้ยิน ได้ยินก็นแล้วไปได้ยินกระจบได้ยินกระจบไปตรงนั้นอะไรก็แล้วแต่นะรูปเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์รู้สึกว่ามั น, มนเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดตาหูจมูกปินกายใจมันเห็นสิ่งที่มากระทบได้ชัดการปรุงแต่งก็เริ่มน้อยลงรละวอุปทาน ที่มันมีอยู่ก็รู้สึกว่ามันรู้เท่ารู้ทันเหมือนกันอ่าเรื่องอุปทานอันนั้นอันนี้เป็นอนั้นเป็นมันมันก็รู้สึกว่าเรามันอุปทานเยอะนะความร้อนกันมาเห็นตอนตอนที่มันร้อนทั่งทั้งๆที่มันไม่ร้อนอ่ะแต่เข้าไปมันเหงาแตกโอ้อุปทานมันมีมากว่าเข้าไปมันต้องร้อนมันก็เข้าไปน่ะมันมันมันก็ไม่ร้อนหรอกแต่ว่าอุปทานมันทําให้ร้อน ตัวตัวตัวเราเห็นมันโอ้เราเนี่ยอุปทานขคำตั้งห้าเป็นตัวทุกตัวอุปทานเองที่ทําให้มันทุกก็เลยมาเห็นตัวนี้ก็เลยเออเข้าใจมันเพราะว่าเราไปไปไปติดตัวนี้ไปยึดในอุปทานถ้าอะไรเกิดขึ้นมามันก็ไปไปแปกไปไปเป็นกับมันไปกับมันเปลนกับมันไปเลยนี่ก็ไปเป็นไปไปกับเขา แต่การปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเป็นสูตรสาเร็จเลยนะตัวรู้สึกเนี่ยเป็นสูตรสาเร็จเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นนะอยู่ในนั่นหมดเลยไม่ใช่กึ่งสาเร็จรูปนะไม่ไม่เหมือนมาม่ามาม่ า, ายังกึ่งสาเร็จรูปต้องมาต้มน้าใส่แล้นท่งจะได้กินแต่อันนี้เป็นโอ้โหเปิดอปมากินได้เลยมีทุกรสเลยอยู่ในนั้นมีทั้งหมด เป็นสูตสํำเร็จเลยนะความรู้สึกนี่ตัวเดียวนี่เนี่ยทารู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวเดียวนี่นนไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาอะไรนะ MM. ไม่เอาอะไรไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากเห็นไม่ต้องอยากเป็นอยากมีทำตัวนี้แบบตัวเดียวนะใครจะรู้อะไรก็ก็แล้วแต่เราไม่เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปอยากรู้เหมือนเขาให้เรารู้สึกอย่างเดียว มารู้สึกตัวเรานี่ยแหละเพราะอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนยถ้าเรารู้ตัวนี้แล้วมันก็จะสบายนะเราก็ไม่จำเปนไปยุ่งกับใครสามารถที่จะแก้ขัดแก้ไขตัวเองได้ความรู้สึกตัวจะแก้ไขให้เราขอให้เรารู้สึกตัวให้นีให้ต่อเนื่งอะไรเกิดขึ้นมาความรู้สึก ตัวสติที่เราสาร้างเราทําขึ้นมาเนี่ยตัวสติทั้งสติทั้งปัญญามันอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นจัดการนะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาจะมีมีตัวเข้าไปจัดการปฏิบัติมาก็รู้สึกว่ามาช่วงหลังๆนี้ก็เลยสื่อก็เลยมารู้สึกว่ามันเริ่มเบา มันมีอะไรที่เราไปไปยังไปติดไปติดอยู่แล้วก็ไปขัดอยู่มันก็เริ่มเบาเริ่มบางลงนะเราก็เห็นได้ชัดว่าเออถ้าเราไม่ได้เข้ามาเก็บอารมณ์ตอนเนื่ยอย่างนี้เราจะไม่เห็นเลยมันก็จะฝังลงลึกลงไปนะฝังลึกลงไปอารมณ์เรื่องของอดีตนะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราก็เห็นได้ชัด ปัจจุบันเราก็เห็นได้ชัดแต่ว่ามาแบ่งกันเนี่ยรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกตวงเราเนี่ยต้องทนต่อให้มันต่อเนื่องอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราใส่ความรู้สึกลงไปไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีความรู้สึกตัวเดียวจะเดินไปไหนก็รู้สึกจะจับอะไรก็รู้สึกจ้ ข้างหน้าเป็นงันทําอะไรรู้สึกอย่างเดียวให้มันรู้สึกรู้สึกกับการกระ ท, ทําของเราเอาแค่นี้แหละผมมาจะมาไปวันนี้ก็นี่อยู่ตัวเดียวรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้สึกตัวความคิดเข้ามาก็รู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นมารู้สึกตัวมันก็ผ่านไปผ่านไป นี่แหละการปฏิบัติไม่ถ้าเราไม่เอาอะไรเลยเนะี่ยจะดีคนอื่นจะเป็นยังไงเรื่องของเขาการปฏิบัติทำต้องดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นคนอื่นเป็นเราก็ดูเหมือนกันแต่เราดูแล้วก็ผ่านไปใครทำดีเราก็ดูไป ใครทำไม่ดีเราก็รู้ไปแต่ว่าเราไม่ต้องไปเป็นผู้จัดการนะเราไม่ไ ป, ไปเป็นผู้จัดการเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรามาทำความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวที่เราตัวเรานี่แหละปัญหาก็ไม่เกิดไม่มีปัญหาปัญหามันเกิดที่ตัวเราเนี่ยทุกอย่าง ถ้าเราแก้ที่ตัวเราต่างคนต่างแก้ที่ตัวเราปัญหาไม่มีจบเราได้ฟังประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและการนำสติที่ฝึกไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์สุพินก็ถือว่าเป็น <c oughs> ผู้ที่มีความตั้งใจดีนะถ้าคนส่วนใหญ่พอออกไปแล้วก็ไปเลยนะ แต่ที่ทนขอนขวายกลับเข้ามาเที่ยวนี้ก็มีประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์นี้จะทําให้ท่านสามารถชําระส่วนที่เหลือค้างเอาไว้หมายถึงว่าความทุกข์ที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยท่านตั้งใจจะชําระให้หมดซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะศึกษาเนะ่องากเราเป็นมนุษย์เนี่ถือว่าเป็นเทศสูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย แต่ถ้าเราเป็นเพศสูงสุดแล้วสิ่งที่เราได้มาเพียงแค่ได้กินได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยแล้วก็ตายไปมันไม่คุ้มนะไม่คุ้มที่การเกิดมาเพราลพังได้กินได้อยู่ได้ใช้ได้สอยนี่สิ่งอื่นอ่มันก็ทาได้ไม่จะเป็นต้องเป็นมนุษย์ก็ได้นะบางทีอาจจะดีกว่าเราด้วยซ้ำไปนั่นถ้าเป็นมนุษย์ต้องเล็งใส่สิ่งสูงสุดก่อนสิ่งสูงสุดก็คือการที่ ชีวิตที่ไม่ทุกข์อ่ะไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอว่ามันจะมาถึงข้างหน้านล้วทำมันทุกนาทีนี่แหละทาชีวิตให้ไม่ทุกทุกนาทีพอมันสั่งสมไปทุกทุกทุกนาทีเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นชีวิตจริงแต่แรกแล้วก็สั่งสมสั่งสมที่จะไม่ทุกไปถ้ามันทุกเกิดขึ้นมาปั๊บแต่ไม่ได้หมายความว่าเรากลัวทุกหรือเราไม่สู้นะแต่ว่าเรา เ้าฝึกฝนนะฝึกฝนที่จะไม่ทุกข์แต่ว่ามีทุกข์เกิดขึ้น creation, เราก็ต้องสู้เราก็ต้องศึกษาอ่าพราะทุกข์กับไม่ทุกข์เนี่ยมันก็อ่ามันก็อยู่ใกล้ๆกันเหมือนมืดกับสว่างมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละ <Language. S 1> หถ้าไฟดับลงความมืดก็เกิดไฟเกิดขึ้นอความมืดก็หาย ถ้าจะว่าไปความมืดกับความสว่างก็อยู่ที่เดียวกันความทุกข์กับความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าแสงสว่างน่ะมีหรือไม่มีเหมือนกันความรู้สึกตัวนี่คือแสงสว่างนะความรู้สึกตัวที่เราทำเนี่ยเป็นแสงสว่างของชีวิตเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ด้วยว่าความรู้สึกตัวเรามีหรือไม่มีเหมือนจะมืดหรือสว่างมันขึ้นอยู่กับแสงสว่างน่ะ เราจะเห็นไม่เห็นอยู่ขึ้นแสงสว่างคอนเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์น่ะความรู้สึกตัวมีหรือไม่มีอยู่ตรงนีน้เราจึงมุ่งที่สร้างความรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกทั้งกายทั้งใจขึ้นมาเป็นประจำความรู้สึกตัวที่สร้างคือส ร, สร้างสั่งสมแสงสว่างเท่นิดๆเหมือนกับสมัยก่อนไม่มีไฟนะก็จุดเทียนหรือจุดคบเพลิงจากหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเข้ามาเข้า แสงสว่างก็มากขึ้นความมืดก็หายไปเนะี่ยอันนี้คือหลักง่ายๆเาะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องต่อสู้เข้มข้นผ่านไปเป็นวันที่หนึ่งละนะเราก็ตั้งใจที่จะสู้ในวันที่สองเอาใหอ้อย่างที่แจนสปินว่าเนี่ยการที่เราจะรู้ว่ามันไม่ปวดเนะต้องทำให้มันปวดที่สุดเสียก่อนเราจึงเห็นคุณค่าของการปวด เราจะเห็นคุณค่าของความไม่ทุกข์ก็ถึงเมื่อเราทุกข์ที่สุดซะก่อนเราจะเห็นคุณค่าของความไม่ทุกข์นะถ้ามันทุกข์น้อยไปความไม่ทุกข์ก็อาจจะไม่มีคุณค่าเราจะรู้จักประหยัดอดออมจนลำรุแเราก็ต้องเห็นความยากจนว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเราก็ถึงรู้จักอดออมประหยัดหลักการ่นเดียวกันนะ ดังนั้นเองก็คิดว่าเราต้องทำชีวิตนี้ให้มันมีแสงสว่างถ้าไม่มีไฟแสงสว่างก็ไม่เกิดนะที่ไฟมันร้อนหรือมันเย็นละ่ะมันร้อนถ้าไม่มีร้อนมันก็มีแสงสว่างชีวิตนี้ถ้ามันไม่ทุกมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดแสงสว่างของปัญญามันก็ต้องทุกข์ทุกข์เราก็อย่าไปนหนีทุกข์ต้องสู้ทุกข์ต้องแก้ทุกข์ต้องศึกษา และเราก็จะประสมผลที่เราต้องการก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองเราจะเรียกว่าบรมสุขก็ได้นะในช่วงเย็ยนวันนี้ก็ที่ว่าเราได้ทำภารกิจมาครบถ้วนแล้วได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้ฟังธรรมภาวนาร่วมกันประสคผลกับเวลาและกลับพระพร้อมกัน